ใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จแล้วที่ใจพพุทธภาษิตนี้เราคุ้นเคยกันดีนะเพราะสาธยายอยู่บ่อยๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้ใคร่ควรวญเท่าไหร่นะ่จริงถ้าเราใคร่ควรวญนี่ก็จะพบว่าเนี่ยมันเป็นความจริงเลยทีเดียวที่เรียกว่าครอบคลุมหรือกำกัด ชีวิตของเรานะตั้งแต่เกิดจนตายก็คือแม้ว่าคนเรานะจะมีกายแต่ว่าตัวกมกับที่สำคัญเนี่ยก็หนีไม่พ้นใจเขาว่าทำทั้งหลายเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมนะรวมไปถึงเรื่องความสุขความทุกข์ของคนเราด้วย เวลาพูดถึงความสุขเนี่ยนะเราก็นึกถึงการมีการได้การเสพเสพทางตาเสพทางหูเสพทางปากหรือว่าการได้รับรถสัมผัสทางกายอันนี้นะเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าใจแล้วก็หมายปองนะเวลาพูดถึงความสุขก็ หรือว่าเนี่ยหรือปรารถนาว่าเนี่ยถ้าฉันได้มีโนนมีนี่ฉันได้ได้กินนั่นกินนี่ดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยหรือว่าได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงกิตติยศเนี่ยฉันจะมีความสุขเราก็เลยไปให้ความสําคัญเนี่ยกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวจนมองข้ามความสําคัญของใจไป และเป็นเพราะไม่ได้ใครครวนให้ดีนะก็เลยไม่ได้ตระหนักว่าแม้ว่าจะมีหรือได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นมาหรือได้เสพแต่ว่าถ้าใจเนี่ยมันไม่สอดคล้องหรือไม่ร่วมมือด้วยเนี่ยไม่ได้เสพสมปรารถนามันก็ไม่มีความสุขนะ อย่างเช่นเนกินอาหารที่อร่อยแต่ถ้าใจเนี่ยนะกังวลเรื่องงานเนี่ยแม่อาหารเนี่ยจะปรุงด้วยเชฟฝีมือดีในร้านอาหารที่รูแต่ว่าคนกินไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะอาหารแม่อร่อยนะแต่เพราะใจเนี่ยมันมีความกังวลกังวลเรื่องลูก กัวลเรื่องงานความังวลเรื่องงานเรื่องลูกรเรื่องพ่อแม่เนี่ยแม้ว่าจะได้กินของอร่อยจะได้ฟังเพลงเพราะถามว่า ม, มีความสุขม่ไม่ไม่ไมีอะ ไ, ไปเที่ยวต่างประเทศนะได้ไปชมสถานที่ที่มันน่าตื่นตาตื่นใจนะหมายมั่นจะไปเที่ยวนะ หลายปีแล้วยอมเสียเงินเสียทองมากมายไปที่ที่มันไปลำบากแต่ว่าสวยงามม่อจะเป็นธรรมชาติที่ตาการตาอาจจะเป็นน้ำตกนะที่งดงามหรือว่าเกาะแก่งที่เป็นธรรมชาติล้วนๆแต่ถ้าเกิดว่า มีความโกรธมีความขุนัวอยู่ในใจนะแม้จะอยู่ต่อหน้าสิ่งที่สวยงามสิ่งที่น่ารื่นรมตาการตาเนี่ยไม่มีความสุขนะอาจจะเพิ่งทะเลาะนะกับสามีภรรยาคู่ครองก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดนั้นหรือว่าอาจจะโทรศัพท์ ทลาะกับเพื่อนร่วมงานซึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่งเรื่อจะโมโหกไกลนะที่หลอกเอาเงินไปถ้าใจเนี่ยมันมีความขุ่นมัวมีความโกรธแม้ข้างหน้าเนี่ยนะจะเป็นทัสเนียภาพที่สวยงามยิ่งใหญ่เพียงใดเนี่ยมันก็ไม่มี ความสุขเคลื่อคล้อยไปด้วยลองสังเกตดูเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเราเคยมีประสบการณ์แบบนั้นหรือเปล่าอาจจะฟังเพลงอาจจะไปดูคอนเสิร์ตนะบัตรนี่หลายพันเป็นหมื่นแต่มีความห่วงห่วงพ่อซึ่งเพิ่งเข้าโรงพยาบาลนะเมื่อสองสามวันก่อน มันจะมีความสุขนะแม้ว่าสิ่งที่เสพเนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่หายากเป็นผลงานระดับโลกแต่ทำไมไม่มีความสุขนะเพราะใจไงใจใจมันไม่เคลิมไปด้วยใจมันไม่ร่วมมือด้ว ย, ยนั่นเองเขาถึงบอกใจเนี่ยทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เนี่ยความสุขของเราไม่จะเป็นความสุขอย่างโลกโลกความสุขจากการเสพเนี่ย ยังไม่ต้องพูดถึงความสุขจากสมาธิภาวนา เ, นเอาแค่ความสุขจากการเสพ เ, เรียกว่าการมาสุขเนี่ยนะมันจะสุขได้เนี่ยนั้นมันใจมันก็ต้องร่วมมือด้วยถ้าใจไม่ร่วมมือเนี่ยมันก็กลายเป็นความเบื่อได้ไง่ายๆที่จริงจะว่าแต่ความสุขเลยนะ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะไม่ได้ต่อเนื่องหรือประจำเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไปประจำเนี่ยคือการรับรู้ทางตาทางหูนะทางจมูกเนี่ยแม่เราจะรับรู้ได้ด้วยตาแม่หูเรายังดีแม่จมูกเรายังดีนะแต่ถ้าใจเราเนี่ยนะมันไม่รวมมือด้วยนี่ มันก็ไม่สามารถจะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้นะไม่สามารถจะได้ยินแม้ะทั้งเสียงที่กระทบหูอย่างเช่นคนที่กาลังใจลอยอยู่เนี่ยนะหรือคนที่กาลังเครียดกับงานคนที่กำลังกลุ่มออกกลุ้มใจกับเรื่องคู่รักเนี่ย <S <S 2> <S 2> เพื่อนเรียกเนี่ยไม่ได้ยินนะ <S <S 2> <S 2> เพื่อนเรียกนี่ไม่ได้ยินหรือว่าเสียงโทรศัพท์ดังเนี่ย แต่ไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าเสียงไม่กระทบหนูนะเสียงมันกระทบหูเต็มที่เลยแต่ว่าการรับรู้เสียงนั้นไม่เกิดขึ้นเพราะใจนะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นใจมันไปอยู่ที่อื่นหรือใจไม่รวมมือด้วยหรือเห็นคนผ่านหน้านะมีคนผ่านหน้านะ แต่ว่าถ้าใจกำลังลอยอยู่นะน่าจะเป็นคนรู้จักมันก็ไม่มีอาการดีใจนะเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นล่ะแม้ว่ารูปเนี่ยกระทบตานะแต่ใจมันไม่ไปรับรู้ด้วยเพราะใจเนี่ยมันกำลังคิดถึงเรื่องวางแผนไปเที่ยวใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นพอใจไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ย ใครเดินผ่านไปผ่านมานะแม้ว่ารูปเนี่ยกระทบตานะแต่ว่าไม่ได้เกิดความยินดียินร้ายอะไรเลยหรือไม่ได้เกิดการรับรู้เพราะอะไรเพราะใจเนี่ยนะมันไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะใจไม่อยู่ที่อื่นจะรับรู้ได้เนี่ยนะทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยนะ กับสิ่งที่กำลังเกิดผัสสะอยู่ข้างหน้าเนี่ยใจไม่อยู่ตรงนั้นด้วยที่ไม่เห็นไม่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่ว่าตาไม่ดีหูไม่ดีตาดีหูดีแต่เพราะใจเนี่ยมันไม่ได้ไปรับรู้ใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งเรื่องพื้นๆเนี่ยนะคือการรับรู้เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันต้องอาศัยมันจะอาศัยแต่เฉพาะ ไอต้ตนัทั้ง5้าคือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายเท่านั้นมันไม่พอมันต้องอาศัยใจด้วยและใจนี่ก็เป็นตัวการที่สำคัญเลยเทีเดียวนะถ้าใจไม่ร่วมมือมันก็เหมือนกับเปลวไฟที่มันไร้ไร้อากาศหรือไล้ออกซิเจนนะเปลวไฟเนี่ยถ้ามันไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันก็ดับเท่านั้นแหละนะมันจะอยู่ได้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีออกซิเจน การรวบรวงคนเราเกิดขึ้นได้ด้วยการใส่ใจและมันไม่ใช่แค่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรอยู่ข้างหน้านบางทีมันมากกว่านั้นนะอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็ถูกกำหนดด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือจิตใจที่อยู่ข้างใ น, นเช่นถ้าเกิดว่าใจเราหมดหมองนะมันก็เห็น บรรยากาศรอบตัวเนี่ยหม่นหมองด้วย ท, ท, ทั้งที่เป็นอากาศ ท, ทั้งที่แดดดีนะฟ้าใสแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันกลายเป็นความหม่นหมองเพราะแล้วพ่อใจรรมันหมนหมองหรือว่าถ้าเกิดเรามีอคติกับใครบางคนเนี่ยเวลาเห็นหน้าเขาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเขามีอาการถมึงทึงไม่ยิ้มแยม้ม ทางที่ตอนนั้นาอาจจะยิ้มก็ได้นะหรือแม้จะเห็นรอยยิ้มของเขามก็เห็นว่าเป็นรอยยิ้มแบบแห้งๆฝืนยิ้มนะท้งที่เขาอาจจะยิ้มด้วยความจริงใจนะแต่ว่าตอนนั้นมีอคตินะอาจจะมีโทสะาคติมีพยาคติเรานึกคิดอย่างไรมันก็เห็นอย่างนั้นนะถ้าหม่นมองถ้าใจหม่นมองมก็เห็นแต่สิ่งที่ชวนให้หมนมอง ถ้าใจมีคติมีความโกรธความเกลียดนะมันก็เห็นแต่ด้านที่เป็นลบของคนที่อยู่ข้างหน้าเราในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าจิตใจเนี่ยช่มชื่นเบิกบานนะแม้ว่าอากาศหม่นมัวนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันข้างนอกมันสดใสอากาศดีจังนะทั้งที่มันหม่นมัวนะ แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาพูดอย่างไงพอใจเขาเนี่ยมันสดชื่นเบิกบานบางทีเห็นหน้าคนก็ เ, เห็นเขามีรอยยิ้มเห็นหน้าเขาผ่องใสเพราะอะไรเพราะใจข้างในใจของคนมองเนี่ยมันมีความสดชื่นเบิกบานมีอารมณ์ดีอันนี้เราวว่าเห็นอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ สิ่งที่อยู่ข้างในใจของคนนั้นรวมทั้งการรับรู้สิ่งต่างๆจำแนกแยกแยะหรือความวหวในการรับรู้เนี่ยก็อยู่ที่ใจเหมือนกันนะมีผู้ชายสองคนเนี่ยเดินนะบนถนนซึ่งมีคนพุกพล่านรนถะ ล, ลาก็ขวักไขว่นะตอนนั้นก็เป็นตอนเช้าตรู่ กำลังเดินคุยกันอยู่นะสองคนเนี่ยสักสักพักคนหนึ่งก็หยุดแล้วก็เดินข้ามถนนเพราะว่าข้ามเพราะอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีมันมีสวนนะมีสวนมีต้นไม้ปลูกเป็นแนวเลยเสร็จแล้วเขาก็กลับมาเพื่อนก็ถามว่าข้ามถนนไปทำไมบอกได้ยินเสียงจิ้งหรีดนะ เสียงจึงหรือนะตูตรงบริเวณสวนนั้นเพื่อนก็แปลกใจนะได้ยินได้ยังไงเนี่ยโหคนพลุกพล่านนะในเสียงจึงหรือเนี่ยฉันไม่ได้ยินเลยแล้วคุณได้ยินได้ยังไงหูไวจังเขาบอกเนี่ยก็ไม่เชิงหรอกนะมันอยู่เพียงว่าเราสนใจอะไรมากกว่า เพอนี่ผมสนใจนะเรื่องจริงรียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเพอได้ยินเสียงจริงเหรียดแม้อยู่ไกลๆหรือเบาๆเนี่ยในถนนหรื อ, อในเมืองเนี่ยมันก็นก็ได้ยินคนเราทุกค น, นก็ไวนะจะเพียงว่ามันจะไวเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะแล้วก็หยิบเอาเหรียญ น, นะเหรียญเหรียญเนี่ยออกมาเนะ เหรียนก็ราคาแพงนะแล้วก็โยลงมาถนนดังกริ้งเสียงมันก็เบานะเมื่อเทียบกับเสียงรถเสียงคนพลุกพล่าเนี่ยพราะก็มีหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยหันไปมองเลยหันไปมองต้นเสียงนะทำไมเขาถึงได้ยินนะเพราะก็าสนใจเรื่องเงินไงคนที่สนใจเรื่องเงินเนี่ยนะแม้เสียง เหรียนเนี่ยนะมันจะมันจะเบาแค่ไหนก็ได้ยินส่วนคนที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะแม้เสียงจริงหรือจะเบามันก็ได้ยินอันนี้เรียกว่าการรับรู้คนเราเนี่มันก็อยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางตาทางหูนั่นใจเป็นสิ่งสำคัญมากเลย และตั ว, วเห็นนี่แหละนะความทุกของคนเราเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ใจด้วยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกเนี่ยสิ่งภายนอกก็มีส่วนสําคัญนะแต่ว่าทั้งหมดนี่มันก็รวมมาอยู่ที่ใจนะอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยแม้จะได้กินอะไรที่อร่อยฟังเพลงเพราะดูคอนเสิร์บตบาตรราคาแพงนะแต่ถ้าใจมันไม่ร่วมมือด้วยเนี่ยนะนะ มันก็ไม่มีความสุขและเป็นเพราะใจเนี่ยนะมันก็เลยถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นที่มาขอางความทุกข์ของคนเราได้แต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจไต่ตรองมองใจของตัวเองเท่าไหร่นะเวลาเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็มักจะไปโทษสิ่งภายนอก แต่ไม่ได้ใครควรแนละ้วเป็ น, เ ป, นเป็นที่ใจเราหรือเปล่าอย่างเช่นได้มีได้ไม้มาแผ่นหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่พอใจทำไมไม้มันไม้มันสั้นไม้มันสั้นไปเขาทุกเนี่ยพอเขาคิดว่าไม้มันสั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นพาอเขาอยากได้ไม้ที่ยาว ในความอยากได้ไม้ที่ยาวอยู่ที่ไหนม่ที่ใจไม้มันก็เป็นธรรมดาของมันนั่นแหละแต่ที่มันสั้นเพราะต้องการไม้ที่ยาวพอต้องการไม้ที่ยาวพอไปเจอไม้แผ่นนี้ก็เลยไม่พอใจก็ไปคิดว่าเป็นเพราะไม้มันสั้นแต่ไม่ได้มองว่าที่จริงเนี่ยเป็นเพราะต้องการอยากได้ไม้ที่ยาวตัวอยทางตรงข้ามเนี่ยได้ไม้มา มันยาวไปนะไม่พอใจเอาเอาไม้แผ่นยาวนี้มาได้ยังไงก็ไปโทษว่าเป็นพ่อไม้มันยาวแต่ที่จริงเป็นเพราะอยากได้ไม้ที่สัน้นนะให้ความอยากไม้อยากได้ไม้ที่สั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะแล้วคนก็นะพอไม่มองตรงนี้เนี่ยก็ก็เลยนะไปคิดที่จะจัดการกับไอ้ไม้ที่เห็นเนี่ย ถ้าไม่พอใจก็จัดการกับมันเพื่อให้มันได้ขนาดที่พอใจแต่ว่าลืมจัดการที่ใจของตัวนะว่ามันเป็นเพราะเราอยากได้ไม้ที่ยาวหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเราอยากได้ไม้ที่สั้นใช่ไหมหลายคนมีความทุกข์กับลูกนะมีความทุกข์ลูกอย่างที่เคยเล่านะเรียนจบแพทย์ปี4 วันดีคืนดีก็มาบอกพ่อว่าขอลาออกนะไม่ชอบทนทนเจอคนป่วยทนเจอน้ำเหลืองทนเจอเลือดไม่ไหวแล้วอยากจะไปเรียน m b a เพราะว่าชอบทางนี้เพิ่งรู้ว่าชอบนะเรื่องการวิเคราะห์ด้านการเงินพ่อนี่ ช็อกเลยนะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยเพราะว่าทุ่มเทให้กับลูกคนนี้มากนะเห็นว่าลูกนี้เรียนเก่งนะสอบแพทย์ก็ได้อันดับต้นๆนนะเสียใจมากนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลย จนกระทั่งวันนึงเนี่ยได้คิดมะว่าโอ้มันนึกถึงพี่ชายนี่พี่ชายเป็นอาจารย์แพทย์อแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยนะพี่การตั้งแต่เกิดนอนติดเตียงพ่อนี่เครียดมากนะพ่อซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยเครียดตอนหลังก็หันมากินเหล้าจนกระทังติดเหล้าแล้วก็ตายก่อนวัยอันควรลูกซึ่งนอนติดเตียงก็ไม่รู้ใครดูแล อมองแบบนี้โอ้ยไอเรานี่โชคดีกว่าพี่ชายเราเยอะเลยนะลูกเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่แล้วแถมไม่ได้เกดมาไร้เกเลยแถมเขาตั้งใจเรียนแล้วเขาพบว่าเขาชอบเรียนอะไรอยากจะมีอาชีพอะไรเมื่อเขารู้ว่าเขาใฝ่ฝันอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องที่พ่อควรจะดีใจเสร็จแล้วก็เลยรู้นะโอ ไอ้ที่าทุกเนี่ยนะเป็นเพราะเราไปคาดหวังนะกับลูกมากเกินไปไปคาดหวังในสิ่งที่ลูกไม่ได้เป็นแทนที่จะไปบังคับให้ลูกไปเรียนแพทย์กลับไปเรียนแพทย์ต่อเราก็กลับเราก็มายอมรับความจริงของลูกว่าลูกเขาชอบแบบนี้นะเปลี่ยนความคาดหวังหรือยอมรับความคาดหวังเสียใหม่บอกว่าหายทุกเลยนะกลับมากินได้นอนหลับ แต่ก่อนเนี่ยไปคิดว่าเนี่ยไอเราทุกเพราะลูกเพราะลูกเนี่ยนะไม่รักดีแต่จริงเนี่ยเป็นเพราะตัวเองนั่นแหละคาดหวังในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นไอความข้ามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเนี่ยไมย่ที่ลูกบางคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่กลับมามองใจนะมันก็จะไปคิดว่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยดูสิ่งภายนอกเป็นเหตุแห่งทุกข์ มันก็ไม่ตา่ายจากคนที่เดินผ่านหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วจู่ๆก็ยกหินก้อนนั้นขึ้นมาแล้วก็แบกเอาไว้ระหว่างที่แบกนี่ก็บ่นว่ามันหนักมันหนักไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหนักเหลือเกินหนักเหลือเกินแต่เขาก็ไม่ยอมวางในใจ เ, นเขาคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าหินเนี่แหละนะ มันทำให้เขาทุกข์แต่ถามแต่ถ้าเราใไข้ครวรดูนะจากถ้าเราเป็นคนนอกเนี่ยเราจะตอบว่าอย่างไรนะข้อทุกข์เพราะอะไรนะข้อทุกข์เพราะหินหรือว่าข้อทุกข์เพราะแบกคนจะไม่ น, น้อยเนี่ยไปคิดว่าทุกข์เพราะหินทุกข์เพราะหินทุกข์เพราะหินนะแต่ไม่ได้มองว่าที่จริงมันทุกข์เพราะแบกเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาแบกเนี่ย สิ่งที่แบกเนี่ยมันไม่ให้แบกด้วยมือหรือแบกด้วยกายแต่แบกด้วยใจไอ้ความทุกข์ใจของคนเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างจากความทุกข์ของชายคนเนี้คือไปคิดว่าคนนั้นคนนี้ทําให้ทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะไปแบกมากกว่าอันนี้แล้วว่ามองหาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยผิด เราก็เรียนอริยสัจสีมานานตั้งแต่เล็กนะแล้วก็รู้ทุกอริยสัจสี่คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่เวลาพอพูดถึงสมุทัยนี่หรือว่ามองผิดๆกันเยอะเลยนะไปมองว่าเนี่ยไอ้ที่เราทุกเนี่ยเพราะหินไม่ได้คิดว่าไม่ได้ตระหนักว่าทุกเพราะแบกต้องหางเท่ารู้ว่าทุกเพราะแบกนะ ทางออกจากทุกข์คืออะไรก็คือวางแต่ถ้าไปคิดว่าทุกข์เพราะหินเนี่ยนะมันก็มีแต่จะคิดหาทางจัดการกับหินก้อนนั้นทำยังไงให้หินเนี่ยมันแตกให้ให้คนมาช่วยตีให้มันแตกเอาค้อนมาทุบหรือเอาปั้นจันรมามาพยุงมันแทนหรือไม่ก็ไปเรียกให้คนมาช่วยแบกแทนเราหรือแบกร่วมกับเรา เ่าเค่อยมมาแบกร่วมกับเราก็ไปว่าเขาไปโกรธเขาเราพยายามทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่ได้ทำก็คือวางมันลงเพราะไม่ได้ตระหนักว่าสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกเนี่ยคือการแบกและสิ่งที่แบกเนี่ยนะมันอาจจะเป็นอะไรได้ร้อยแปดเลยอาจจะเป็นความคาดหวังที่มีต่อลูกความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงความคาดหวังที่มีต่อคนอื่น ในในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นอาจจะเป็นเรื่องหนี้สินอาจจะเป็นเรื่องการไปเที่ยวอาจจะเป็นเรื่องเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จแล้วก็ไปคิดว่าเนี่ยไอ้ที่เราทุกข์เพราะว่าไม่ได้สิ่งนั้นมาหรือว่าได้ไม่สมอยากแต่ที่จริงเนี่ยมันมันทุกข์เพราะว่า ความอยากในใจของตัวเองหรือความยึดมัน่นถือมั่นมากกว่านี่ถ้าเราไม่รู้จักมองนะมันก็ไม่เห็นละ่ะและมันก็ง่ายที่จะไปทษสิ่งภายนอกแต่ถ้าเรารู้จักมองนะนก็จะเห็นว่าโหวใจเนี่ยมันเป็นตัวการที่สำคัญของทุกเรื่องในชีวิตของเราเลยเมื่อจะเป็นเรื่องการรับรู้นะโลกรอบตัว ม่วจะเป็นความสุขไม่วเป็นความทุกข์อย่าว่าแต่ทุกข์ใจเลยนะหรือสุขใจเลยนะแม้กทางสุขกายหรือทุกข์กายมันก็มีใจเนี่ยเป็น อ, องค์ประกอบร่วมที่สําคัญเลยและยิงความทุกข์ใจด้วยแล้วนีนะ่ใจนี่เป็นตัวการล้วนๆเลยก็ว่าได้พอปรับที่ใจนะมันก็หายทุกข์นะอย่างพ่อเนี่ยคนที่ว่าเนี่ยพอพอเข้าใจ ว่าตัวเองทุกข์เพราะอะไรหรือพอลดความคาดหวังหรือปรับความคาดหวังในตัวลูกยอมรับว่าเออลูกนี้เขาก็เลือกหนทางที่ดีสําหรับเขาหรือมองว่าเอ้อเรานี่ก็โชคดีกว่าพี่ชายนะพี่ชายเราก็หนักกว่าเราเยอะเลยนะเรานี่โชคดีกว่าพี่ชายเยอะแค่นี้ก็น่าจะพอใจแล้ว จะเป็นเพราะเราเนี่ยต้องการอะไรที่มันมากไปกว่า น, นั้นแล้วก็ไม่พอใจในสิ่งที่มีได้สิ่งดีๆแล้วก็ยังไม่พอใจอยากได้มากกว่า น, นั้นมันก็เลยทุกุสิ่งที่ได้มามันก็ดีอยู่แล้วนะแต่พออยากจะได้มากกว่า น, นั้นพอยอมรับหรือพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้มันหายทุกเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจนะที่รู้จักปรับใจพอรู้ว่า แต่แห่งทุกเนี่ยที่แท้คือใจนั่นเองใจในที่นี้ก็หมายถึงความยึดติดถือมั่นหรือความคาดหวังนะหรือว่าอุปาทานนะนั้นพยายามกลับมาดูใจเราอยู่เรื่อยๆกลับดูใจบ่อยๆนะมันก็จะเห็นความจริงนะของตัวเองแล้วก็เห็นความสําคัญของการที่จะดูแลรักษาใจรวมทั้งการฝึกใจแล้วก็ รู้จักปรับเปลี่ยนใจนะให้มันสอยครอบความเป็นจริง